องตรัสว่าวัตะโตโลโกโลกมันหมุนมันก็ถูกต้องทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกเช่นกลางวันหมุนไปหากลางคืน เอกลางคืนมันหมุนมาหากลางวันอยู่อย่างนี้หมุนเอีนีนก็หมุนเกี่ยวแก่แล้วดูแล้วดูฝนมันก็หมุนมาหาแล้วดูหนาวมาเ น, นี่แล้วดูหนาวหมุนไปหาแล้วดูร้อน เราดูร้อนแล้วกบหมุนไปหาล้วดูฝนอยู่อย่างนี้แหละลองสังเกตดูหมุนไปเวียนมาอยู่ของเก่านี้เองนะนี่พูดถึงไอ้โลกภายนอกมันหมุนกันเมื่อานี้โลกภายในมันหมุนเราได้แก่ความเกิดขึ้นมามีรูปมีนามมาแล้ว มันก็หมุนเข้าไปหาความแก่หมุนเข้าไปหาความเจ็บป่วยไข้แล้วก็หมุนไปหาความตายนี่มันก็หมุนอยู่อย่างนี้อันชีวิตของคนเราก็ดีอันนี้จะจัดว่าเป็นโลกภายในก็ได้คือเป็นโลกที่อาศัยอยู่ของดวงกิดนี่มาีิ <c oughs> เกี่ยวแค่การกระทำมันนี่มันก็หมุนเหมือนกันนะนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้คนเราน่ะทาบาปวันนี้นะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่ามมุาสาวาต ด, ดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอินอะไรมันนี่ อนี่ละกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมชั่วลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างนี่กรรมชั่วนี่มันก็ฉุดคร่าเอาดวงขีดของบุคคลผู้ทำกรรมชั่วนั้นไปสู่นรกอภัยภอนั่นน่ะเดีย ว, วมันกรรมชั่วมันหมุนไปสู่ทุกข์อันนี้ทีนี้ มันก็มีความหมุนไปในทางที่ดีอีกทางหนึ่งความไม่โลภเป็นเหตุให้ได้บริจาคทานความไม่โกรธเป็นเหตุให้ได้รักษาศีลความไม่หลงเป็นเหตุให้ได้ภาวนาเจริญสมถาวรีปธนาถ้าหากว่าการเจริญภาวนานี่ไม่แก่กล้า ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้อา น, นิสงสแห่งทานแห่งศีล แ, แห่งการฟังธรรมและภาวนาเหล่านี้ก็จะหมุนนำดวงจิตของบุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลนี้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์สวัสวยสุขสำราญอยู่บนสวรรค์ เมื่อหมดบุญวาสนาที่เด้ยวทำไปแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วก็หมูนกลับลงมาสู่โลกนี้อีกมาเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายสักผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาหนุนทรงก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระตุลาเจ้าแล้วก็ สามารถละเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆได้แล้วก็มีแต่ทำความดีโดยกายวาจาใจใส่ตัวเขาตัวเองเลื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุสังขารอันนี้เรียกว่ามันหมุนไปในทางดีนั่นเนี่ยความหมุนของโลกนะมันมีอยู่สองทางอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมบุคคลผู้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมนี่ก็เหมือนอย่างบุคคลที่ได้ยานพาหานะอันแข็งแรงว่องไวมีประสิทธิภาพมาก สามารถที่จะพาบุคคลวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่เสียไม่หาย อ, อันนี้เรียกว่าเทียบได้กับรถทนนี่นายช่างเขาทําประกอบดีแล้วทุกส่วนนั่นแหละอันนี้ฉันได้ก็อย่างนั้นเลยกายวาจาใจของคนเรานี่ก็ สมมุติว่าเป็นญานภาหานะอันหนึง่งที่ดวงจิตนี่เป็นโซเฟอร์หรือเป็นสารถีถ้าจิตนี่เป็นฉลาดมันก็ใช้กายทำดีใช้วาจาพูดดีสม่ำเสมอไปไม่พลังเผลอไปทำชั่วพูดชั่ว เมื่อไม่เมื่อไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทาชั่วพูดชั่วแล้วมันก็มีตั้งแต่ความดีบางเกิดขึ้นในใจนั่นแหละความดีคือบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณผ่านะรองรับรวงกิจนี่ไปสู่สุขติขั้นใดขั้นหนึ่งอืม นั่นี่แหละโลกมันหมุนนะให้พึ่งพานเข้าใจหมุนทั้งภายนอกหมุนทั้งภายในทีนี้เมื่อบุคคลมาพยายามละกิเลสนี่ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆไปแล้วอย่างนี้ไอชีวิตของคนเรานี่มันก็หมุนไปไม่ได้นานแล้วมันก็มีทางหยุดลงได้ เพราะว่าถ้าพูดโดยสรุปเราก็เรียกว่ากิเลสแต่พาชีวิตนี่หมุนไปในพบน้อยพบใหญ่ ส, สุขบัง้งทุกข์บัางอยู่อย่างนี้นะบุคคลไม่เห็นโทษของกิเลสคือความโลภโกรธหลงดังกล่าวมาแล้วนั้นก็หยุดเสียไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติสมัมปชัญญะกำหนดรู้เห็นสังขาร น, นามโลก เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเสมอไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับนากับรูปอันนี้อาศัยมันอยู่แต่ว่าไม่ยินดียินร้ายกับมันไออย่างนี้แล้วมันก็ทำชีวิตนี่ให้หมุนไปน้อยที่สุดเลยแบบนี้นะถ้าหากว่ายัางละกิเลสไม่หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวง เก็เรียกว่ากิเลสมันก็เหลือน้อยเต็มทีโดยอาศัยสมถะวิปัสนาเป็นเครื่องแผดเผากิเลสในหัวใจนี่ให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆการที่กิเลสที่ยังเหลือมันอย่านำชีวิตหมุนไปก็ไม่กี่ชาติก็คงได้พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกรสามารถที่จะหลุดจะพ้นไปได้นี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสนใจในการบำเพ็ญบุญกุศลจะขยันมันเพียรพยายามละกิเลสตัณหาก็เพราะว่ามาใช้ดุลยพินิษพิจารณาดู ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปที่ว่าโลกหมุนดังอธิบายให้ฟังมานี่นะเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะมองเห็นว่ า, าชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสนี่มันจะหมุนไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยถ้าพูดถึงว่าเกิดมาเป็นคนขึ้นมาในชาตินี้อย่างนี้นะ ถ้าไปสะสมกิเลสไว้ในใจมากๆกกิเลสมันก็ทําปั่นจิตนี้ให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดในโลกอันนี้ความคิดอยากได้อะไรต่ออะไรแล้วแล้วคิดแล้วมันไม่ได้ตามประสงค์แบบนี้ความคิดว่าอยากว่าจะทํามันนั้นให้มันได้ตามประสงค์เวลาลงมือทําไปแสวงหาไปนะ่ะ ไม่ไม่ได้ตามประสงค์ล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนใจแล้วเกิดทุกโทมนัดขึ้นในใจนี่ความหมุนเวียนแห่งความคิดความเห็นในภายในจิตใจอันนี้มันก็ก่อให้เกิดทุกนานาประการด้านั้นต้องเห็นโทษไ้ตรงพี่นายเห็นโทษของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งความคิดความนึกต่างๆ น, นานา อันเป็นไปในทางที่ทำให้จิตนี่เกาะคล้องอยู่ในโลกอันนี้ความคิดที่อยากได้อันนั้นอันนี้ไม่หยุดไม่ยังนะ้งเน่ยมันเป็นควองคิดที่ทำให้จิตผูกพันอยู่กับโลกอันนี้เรื่องมันนะแต่ว่าไอความอยากนี่ถ้าว่าแล้วมันก็ต้องประกอบ ไปด้วยปัญญาอย่างหนึง่งไม่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างหนึง่งถ้าความอยากอันประกอบได้วยปัญญายานี้มันก็ไม่เป็นกิเลสดอกความจริงนะเช่นว่าอยากข้าวอยากน้ําอย่างนี้นะก็ธรรมชาติของร่างกายอันนี้มันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยอาหารเหล่านี้ก บ, บุญกรรมตรกแต่งให้เกิดมาแล้วแล้วจะทํายังไงถ้าหากว่าไม่รอเลี้ยงมันไว้มันก็แตกทําลายไป เฉยๆนี่แหละมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมานี่ผู้มีปัญญาเมื่อสเสวงหาปัจจัยได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็มาบำรุงร่างกายอันนี้ไว้เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันนี้ประกอบคุศสนคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถของตน นี่ความอยากอันประกอบไปด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นเหตุให้คล่องอยู่ในโลกนี่ก็เราทำอะไรไปเราทำมันมีความหมายความหมายแห่งการกระทำนั่นหมายความว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผูาอื่นไม่ใช่ทำเพื่ออะไระนั่นนะเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนตนก็ มีกิเลสน้อยบอกวางออกไปผู้อื่นก็ได้อาศัยความดีที่ตนกระทําไปนั้นอได้รับความสุขความสบายใจอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องคล่องอยู่ในโลกอื ม, มันเป็นวิถีทางที่จะนําบุคคลพวกนั้นให้ออกไปจากโลกนี้่หอย่างว่าการที่ ทุกคนเกิดมาในโลกนี้มันก็มีมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาแลกัเป็นมารดาบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูกดถึงได้เจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาได้ก็ได้ชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของท่านผู้มีอุปการะอย่างมากทีเดียวแต่ละคนละคนดังนั้นการที่เราทำความดีอะไรในโลกนี้ ก็เพื่อเรื้องนี่เพื่อชดใช้นี่บุญนี่คุณต่างๆให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าเรามาใสาโนนนน่โลกอันนี้เราก็เป็นนี่โลกอันนี้พูดรวมๆแล้วนะเป็นนี่โลกอันนี้ทีนี้เมื่อบุคคลไม่ทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นก็เป็นนี่โลกอันนี้อยู่เนี้ย หนีจากโลกนี่ไปไม่ได้ต้อตงมาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ที่ถ้าว่าใครรู้ตัวตื่นตัวได้ว่าตนเป็นนี่เพื่อนอยู่นี่ก็พยายามประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นกดละเว้นไปตามสิ่งใดที่ทรงสอนให้กระทำบําเพ็ญก็พยายามบาเพ็ญให้เจริญให้เกิดให้ใหมีขึ้น ในตนของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อบาเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปโดยลำ ด, บดับอะ้รอย่างนี้มันก็เป็นการชดใช้หนี้บุญคุณดังกล่าวมาแล้วนั่นนะได้เลยทีเดียว เ, เมื่อตอนพยายามบาเพ็ญบุญกุศลให้มากๆขึ้นไปเท่าไหร่กริเลสมันก็โน้อยเบาบางไปเท่านั้น เป็นอย่างว่าบุคคลเมื่อให้ทานไปมังมากเข้าไปความโลภความตณีมันก็เบาบางออกไปจากกิจใจนี้คนใดสำรวมในศีลให้มังมากเข้าไปไม่ล่วงละเมิดในศีลต่างๆที่ตนได้สมาทานมาแล้วนั่นอย่างนี้มันก็ทำให้บาปอากุศลต่างๆนั้นลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกิจใจนี้บาปเก่าที่ทามาแล้วนั้น ถ้าไม่เป็นครุกรรมนะเป็นเพียงราหูกรรมกรรมเบาเช่นนี้นี่บุคคลไอยพระภาวนาอธิษฐานใจละเว้นเสมอเสมอไปแล้วก็ไม่ทําบาปกรรมอันใหม่มาเพิ่มเติมไว้อย่างนี้บาปเก่านั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็หมดไปสิ้นไปเพราะว่าจิตนี้ไม่ชอบแล้วไม่ชอบบาปอธิษฐานใจละอยู่ทั้งวันทั้งคืนไปเลย ออย่างนี้แหละมันเป็นหนทางหนีจากโลกนี้เมื่อบุคคลไม่มีบาปดวงเดียวดวงกิจอันนี้ไว้ดวงกิจนี้มันก็จะไม่คล้องอยู่ในโลกนี้ถ้าว่ามันยังไม่ยังไปนิพพานยังไม่ได้ก็จะไปสู่โลกอื่นซึ่งมีความสุขมากกว่านี้ที่ท่านกล่าวว่าสุคติโลกสวรรค์อันนี้มันก็ มันก้าวขึ้นไปเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นอ่ะจิตของบุคคลผู้เ อ, อบำเพ็ญบุญกุศลแล้วเพียรละ บ, บาปออกจากตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ละเอียดถี่่วนเข้าไปแล้วอันบุคคลที่จะหนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ก็เพราะบาปอคุศลนี่เองนะบุคคลไม่มีปัญญาไม่ฉลาดไม่รู้จักละบาป ตนทำบาปไปแล้วก็ทำสบายทำเฉยเมยคล้ายๆกับว่าตนไม่ได้ทำบาปเอี่แท้ที่จริงแล้วบาปนะมันหมักห ม, มมอยู่ในหัวใจนั้นมากแล้วแต่มันยังไม่ทันออกฤทธิ์มันยังไม่ทันให้ผลก็ดูเหมือนว่าดีไปดูเหมือนว่าไม่มีบาปอะไรเลยคนมันชะล่าใจตรงนี้แหละเรื่องมันอนะืม ถ้าผู้ที่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้นี่เมื่อก็รู้จักตัวบาปได้อืเม<ะ>ื่อมันคิดโลภขึ้นมาในใจเมื่อใดอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้อ๋อนี่นี่แหะตัวบาปอืออย่างนั้นนะเมื่อมันคิดโกรธขึ้นมาให้ใครต่อใครเมื่อไรอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้ว่านั่นแหละคือตัวบาปอืเม<ะ>ื่อมันคิดหลงคิดเมา ไปต่างๆนั่นนาไม่ไม่มีสติควบคุมจิตคิดสร้างไปทั่วอย่างนี้นะนั่นแหละคือตัวความหลงตัวกิเลสตัวบาปอากุศลก็ว่าได้เพราะมันเป็นมูลให้เกิดบาปเกิดโทษต่างๆนั่นนากิเลสเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้นตอของกิเลสให้ได้ เราสังเกตดูในใจของเราเนะ่ะมีไหมความโลภที่มันจะเพ่งเล็งไปอยากได้อะไรต่ออะไรของใครต่อใครในโลกอันนี้ยออ ม, มีหรือไม่ออก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีตนไม่เคยคิดเพ่งเลงอยากจะได้ของใครมาเป็นของตนตนนั้นยินดีอยู่แต่ในสมบัติที่ตนมี จนมีอย่างไรตงก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไอ้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าความโลภไม่มีอยู่ในใจก็รู้ได้นะอา้าววันนี้ความโกรธล่ะมีไหมไอ้ความโกรธนี่มันปฏิ ญ, ญาณไม่ได้หรอกพาปฏิ ญ, ญาณไม่ได้เนี่ยเพราะบางทีมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วเผลอๆมันหงุดหงิดขึ้นมาเลยเพียงแต่ห ง, งุดหงิดขึ้นมามันก็เป็นกระสายของความโกรธแล้วนั่นนะ มันไปนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเพ่งพิจารณาดูไอ้ความโกรธส่วนละเอียดให้มันได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยเพ่งพิจารณาให้เห็นความโกรธส่วนละเอียดจนเมันโกรธเอาจนใจร้อนวู่วามขึ้นมานนถึงรู้ตัวว่าตนโกรธอย่างนี้นะแต่เพียงหงุดหงิดในใจเฉยในไ ม, ไม่ได้นึกว่าไม่ได้นึกว่าของโกรธล็ นึกไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรแล้วต่อเมื่อมันลุกวือขึ้นมาเมื่อใดนั่นเน่ะจึงค่อยรู้ว่าตนโกรธอันนั้นมันเพราะความโกรธให้มีกำลังมากแล้วมันละญาอถ้าหากว่าเราตามจิตนี้อยู่เสมอไปวควบคุมจิตนี้เสมอไปถึงแม้ว่าเรื่องไม่ดีกระโถกระทั่ทงมามันจะ มันจะฉุนเฉียวมันจะงุดงิดขึ้นมาก็เพียงเบาๆไม่รุนแรงเมื่อมันรู้ตัวแล้วก็รีบกาหนดละไปเลยมันก็ได้ง่ายมันก็ละไปได้ง่ายเพราะมันกำลังมันอ่อนมันเป็นางนั้นตันี้มันต้องตามต้องตามสะกดลอยของกีดนี่เสมอไปด้วยสติด้วยปัญญามันเป็นอย่างั้น ดังนั้นการละกิเลสจึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าทุกคนเลยเพราะว่าก็เมื่อเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่นับถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งที่ ล, ลึกอย่างนี้นะแล้ววันนี้พระองค์ทรงพระประสงค์อย่างไรกับพุทธบริษัทของพระองค์ น, นี่ก็พระองค์ทรงพระประสงค์ แนะนำให้พุทธบริษัทภาคเพียรพยายามละกิเลสอันมันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วทำให้ได้สวยสุขสวยทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันอยู่งี้ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้นี่นะนี่น ะ, ะพระองค์มีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเพียรพยายามเริ่มต้นกับละกิเลสอันเป็นส่วนบาปอกุศลอย่างว่านี่แหละไปเมื่อละกิเลสส่วน อันเป็นมูลเหตุแห่งบาปอากุศลนี่ให้เบาบางลงไปได้แล้ววันนี้ เ, เป็นละกิเลสส่วนที่มันเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้เกาะให้คล้องอยู่ในโลกนี่แต่ไม่ถึงก็ว่าจะให้ไปสู่นรกอบายภูมินี่ล้วก็เพียรละกิเลสมันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้เลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนไม่ไม่รู้จักละกิเลส ถ้าผู้ฉลาดผู้มีปัญญาแล้วมันก็จะต้องประเมินผลแห่งการกระทำของตนเรื่อยไปก็จะต้องรู้ขั้นตอนของกิเลสเออกิเลสนี่กิเลสยางยาบเอาเราละมันไปได้เท่ากี่มากน้อยเท่าไรแล้วน่ยก็ต้องรู้อย่างงี้นะเออกิเลสนี่มันกิเลสยางกลางนะไอ้ราละมันได้ไหมละได้อยู่แต่ละได้เป็นบางคราว แไปบางค่าวก็ยังละไม่ได้อย่นี้ก็รู้นี่นะอากิเลสอันละเอียดละ่ะเป็นอนุมัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจเคยเพ่งเคยพินาณาดูไหมนั่นแหละเช่นมานะหมู่นี้นะอวิชชาหมู่นี้นะท่านอกมันเป็นกิเลสอันละเอียดนี่อันนะี้รู ป, ปราคะอรูป์ราคะหมู่นี้นะมันเป็นกิเลสอันละเอียด มันไม่ยินดีในรูปภายนอกนะั่นหรอกแต่มันยินดีในรูปภายในนี่รูปกายอันนี้อย่างนี้นะนี่มันต้องพิจารณาดูให้มันรู้เมื่อรู้ว่ากิเลสอย่างไรตนละมันไปได้เท่าไรที่ยังละไม่ได้มีเท่าไรเมื่อรู้อย่างนี้เราก็จะได้พยายามละกิเลสนับจากอย่างหยาบแล้วนะให้มันเบาไปเรื่อยๆไป เมื่อละ ก, กิเลสยังหยาบได้แล้วมันก็ยังอย่างกลางแล้วก็มาเพียนละอย่างกลางไปอย่างนี้นะเมื่อเราเพียนละ ก, กิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปนี่มันก็ ม, นกมันก็อุปมาเหมือ น, น, น, นอย่างคคลทําสวนทํานานเนี่ยทําสวนทีได้ก็ตัดต้นไม้เสียก่อนเออเมื่อตัดต้นลงไปแล้ววันนี้เอา้ามันตายมันแห้งแล้วเผาวันนี้เผาแล้วมันมาขุดตอมันอีกอื มาปรนดินปรับดินให้มันเรียบราบออกไปอย่าให้มีหลักมีตออย่าให้มีหญ้าอะไรแทรกแซงอยู่ในนั้นเลยเช่นนั้นมันจึงเหมาะสมกับการปลูกพืชต่างๆลงไปก็จึงได้ผลเต็มเม็ดเต็ ม, ตมนวยอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราก็ต้องภาคเพลี่ยนพยายาม ละกิเลสนี่ไปพยายามดูเพ่งพิจารณาดูให้รู้หน้าตาของกิเลสให้รู้ลักษณะอาการของกิเลสต่างๆเมื่อเมื่อพิจารณาเห็นได้อย่างนี้รู้ตัวกิเลสรู้หน้าตาของกิเลสแล้วมันก็มีทางที่จะละมันได้เรื่องมันเป็นยางน้นแต่ว่าการที่เราจะทําได้อย่างนี้มันก็ต้องเริ่มมาแต่ศีลนี่ ชำละสินให้บริสุทธิ์เสียก่อนเมื่อพิจรารณาเห็นว่าตนนั้นมีสินบริสุทธิ์ดีอย่างนี้แล้วก็จะเกิดตีติปราโมทมาเจริญสมาธิก็ไม่ขัดข้องไม่ลำบากอะไรเท่าไหรนักเพราะอาศัยอนุภาพของสินมันช่วยทำให้ใจเยือกเย็นสบายสงบลงไปได้เมื่อเจริญพระกรรมฐานไป เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี่ไปก็เห็นเรื่องของร่างกายนี่เป็นอสุภอสุภังไม่สวยไม่งามอะไรก็เห็นไปได้ <c oughs> เห็นลงไปถึงเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอไม่ไม่มีไม่ใช่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรอยู่ในนี่เลยเนี่ยหละเมอมันเห็นลงไปถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมลงไปอยนั้น มันก็ยิ่งปรงยิ่งวางลงไปเลยวะนีอจิตก็ว่างว่างจากความยึดความถืออันนี้แหละไม่ถือมั่นในขันห้าวว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็เป็นทางหลุดพ้นจากวัฏฏะวนดังกล่าวมาขอจบลงเพียงเท่านี้